แล้วมันจะผ่านพ้นไปเช่นกันหนึ่งในบรรดาคำสอนล้ำค่าที่จะช่วยอาการซึมเศร้าได้เป็นคำสอนที่เรียบง่ายตรงไปตรงมา ทว่าคำสอนที่ดูเหมือนง่ายนี้ <it> อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายๆด้วย <it> เฉพาะเมื่อเราอยู่ในภาวะที่ปราศจากอาการซึมเศร้าอย่างแท้จริง <it> เราจึงจะสามารถยืนยันได้ว่าเราเข้าใจเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้จริงๆนักโทษคนใหม่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 ทุกๆคนได้เรียนรู้จากเขาว่าแล้วความเศร้าโศกจะผ่านพ้นไปเช่นกันความซึมเศร้าเป็นเรือนจำที่พวกเราหลายๆคนจะต้องผ่านเข้าไปแล้วมันจะผ่านพ้นไปเช่นกันจะช่วยให้เราผ่านพ้นมันไปได้นอกจากนี้มันยังช่วยให้เรา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 เรื่องนี้มีการเล่าต่อๆกันมาและตีพิมพ์อย่างย่อๆโดยอินรีศชาในหนังสือเรื่อง The Way of the Sufi Penguin Books หน้า 80-81 ถึง